ท่านสาธารณรัฐบริษัททั้งหลายวันนี้ก็อยขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนท่านี้ก็เพราะว่ามีข่าวอยู่เสมอมีกล่าวกันไปโดยทั่วทั่วไปว่าพระพุทธศาสนามีไว้ไม่มีประโยชน์ มนันจะช่วยทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นไม่เพียงว่าเป็นผู้ทำลายเศรษฐกิจและสังคมตอนนี้พระที่พระว่าพราะที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีมันดาปชายชนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีกลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษในเมื่อมีความสันโดษยินดีแต่เฉพาะ สิ่งของที่หามันได้โดยเฉพาะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญแต่ความจริงท่านผู้คิดอาจจะคิดพลาดไปนิดหนึ่งคำว่าสันโดดในพระพุทธศาสนาเป็นให้คำที่ยับยั้งความชั่วและก็ส่งเสริมความดีสำหรับในที่นี้จะยังไม่พูดถึง มาพูดถึงหน้าที่กันซื้ยก่อนว่าองสมเด็จไปจินวรบรม า, มาสดาสัมมาสัพพุตเเจ้านันริง ค, คากนจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในายช่างยิงจะมาช่วยช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างว่ า, าสร้างร้านค้าสร้างตลาดแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการคลัง จะได้นำทรัพย์สินทั้งหลายเข้าเมืองเข้าประเทศชาติในช่วยประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักเกษตรศาสตร์จะได้ทำการชุมทานหาปุ๋ยฆ่าเชื้อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภยัยแก่พืชผักพืชพันธ์ทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักรบ จะได้ไปฆ่าชาว บ, บ้านชาวเมืองเขาแย่งชิงสถานที่อยู่แย่งชิงทรัพย์สินของเขาทำลายชีวิตของเขาเอามาให้เจะบรรดาคนรุ่นหลังตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็มองไปดูสับปะสาบาลีในภาษาบาลีใช้คำว่าศรัทธา สัทธาตัวนี้แปลว่าครูเป็นอันว่เนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าก็คือครูครูพูดสอนให้ละความชั่วประพฤติความดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญในเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ต้องมองมาหาหาครูภายในสมัยปัจจุบัน ว่าครูในปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครูที่สอนเกษตรเคยออกไปช่วยชาวนาทั้งประเทศช่วยทำนาหรือเปล่าแลือครูที่สอนการขังเคยเอาเงินมาแจกจ่ายชาวบ้านมาหรือเปล่าหรือว่าครูที่สอนวิชาการก่อสร้าง ครูเคยมาปลูปลกสร้างหบ้านให้ชาวบ้านมาหรือเปล่าบ้านไหนตำบลไหนตำบลและกินหลังที่ครูไปช่วยปลูกให้ก็รวมความว่าครูก็เป็นในเพียงพูดแนะนำสอนวิชาการต่างๆให้เขาไปทำกันไม่ใช่ครูไปทำเอง จะยังมีครูบางท่านบอกออกไปทำจ็นักการเกษตรออกไปช่วยแนะนำบรรดาประชากรให้รู้จักวิธีการเกษตรนั่นเรื่องการแนะนำชี้แจงสาธิตให้ดูไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านทุกคนทำนาทำไรว่ากันแค่นี้ก็พอถ้าจะพูดกันไปเวลาสามสิบนาทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันว่าครูมีหน้าที่สอนเมื่อครูสอนไปนแล้วแต่หากว่าลูกศิษย์ไม่ทำตามท่านจะโทษว่าครูเลวหรือว่าครูดีเป็นอันว่าวิชาความรู้ต่างๆครูสอนทั้งหมดกจทั้งจริยามัญญาทั้งหมดสอนครบถ้วนทางรัฐบาลมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไร ว่าครูจะต้องปฏิบัติแบบไหนครูทำทุกอย่างแต่ถ้าว่าสิทธิของครูไม่ยอมปฏิบัติตามครูถ้าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าพูดกันโดยธรรมก็ต้องถือว่าครูทำหน้าที่ของครูอย่างดีแล้วอย่างในปัจจุบัน ครูอสอนวิชาการต่างๆพร้อมไปด้วยจริยามัญญาต์ด้วยความประพฤติแต่ว่าถ้าสิษย์คิดร่างครูตามที่มุนบทปภกิจทั้กล่าวว่าลูกศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันส่อเสียดเบียดเไปบส่อเสียดเบียดเดกันโรกข้าวบันเพราะตัญหาเป็นอันว่าลูกศิษย์ไม่เคารพในครู ลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนสอนของครูลูกศิษย์มีความอกติอยูไม่รู้คุณครูอย่างนี้เราจะคิดว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าหากว่าถ้าจะพิจารณากันโดยความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าครูดีทำหน้าที่ทุกอย่าง แต่ว่าสิครูไม่รับคําสั่งและรับคําสอนไม่ปฏิบัติตามใครเลวพิ่เจรณากันเอาเองหันมาทํางด้านพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเป็นครูที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เสมอว่าอค า, าตาโรตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น เมื่อบอกแล้วท่านทำตามหรือไม่ทำตามเป็นเรื่องของท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนานี่มีกำลังใจกว้างขวางไม่ขับแยบไม่บังคับศรัทธาของใครเมื่อแนะนำไปแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามพระพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษแก่ประชากรเรืงนไว้แต่พิสุจนิสุนี สมณเณรสมณเณรีพระสิขมานาที่เข้ามาอยู่ในขอบรพระพุทธศาสนาเต็มตัวอันนี้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าฝ่าฝืนพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ลงโทษแต่การลงโทษไม่ใช่เคี่ยนไม่ขีดตีไม่มีคุกไม่มีตารางด้วยแมเพียงบอกว่านั่นเป็นความช่วยจะต้องมีโทษอย่างนั้น เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาแนะนําให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับใจท่านท่านจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านขอม a รดาท่านอั้นหลายผู้รับฟังได้โปรดรับทราบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูพระพุทธเจ้าไม่ใช่หคนหน้ากรรมกรและพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรี พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประธานาธิบดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมพระพุทธเจ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะมีเงินไปแจกให้เั็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูสอนวิชาความดีให้แก่ประชากรทั้งหลายในเมื่อท่านมอบหมายความดีแล้วถ้าว่าประชากรทั้งหลายรับความดีไปประพฤติธปฏิบัติ เขียนว่าคําสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคมีประโยชน์ถ้่หากว่าทุกท่านไม่รับคําสอนและรับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงเหมือนกับครูทั้งหลายที่สอนสิตสิทธิ์ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม สอนแล้วสิทธิ์ไม่จำถ้าจำแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ครูก็มีหน้าที่แค่จะเป็นครูจะเป็นลงโทษบังคับขู่เข็นนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่เขาผู้ปกครองต่อไปถ้ <c oughs> าว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมกันต่อไป เมื่อสิทยิรับคำสอนแล้วออกไปจากสำนักของครูก็เป็นนั้นว่าหมดหน้าที่ของครูจะติดตามไปบังคับเราไม่มีอำนาจแม้แต่องค์สมเด็จพระพรทธมโล ก, กน่นานก็เช่นเดียวกันต่อไปลองมาดูคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกค่อยๆฟังกันไปทีละน้อย เพราะบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยพระพุทธเจ้าช่วยรถบรรดาประชากรไว้ทั้งแปดหมืนสี่พันข้อเดยกันอย่านามาพูดให้บรรดาท่านฟังแต่เพียงข้อหรือ ว, ว่าหมวดเดียวความจริงเรียกว่าหมวดดีกว่าเรียกว่าข้อก็ไม่ถูก <c oughs> คำแนะนำของพระพุทธเจ้ามีแปดหมดืนสี่พันหมวด จะนำมาพูดท่านนั้นฟังแต่เพียงหมวดเดียวหมวดนี้จัดไว้สามสิบปข้อแต่บางทีจะไม่ต้องพูดถึงสามที่แปข้อเอาก็ได้เพียงย่อดๆพอในความจะค่อยๆพูดไปทีละน้อยละน้อยขอบรรดาท่านบุปังนั่งหลายเวลาฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่ง ว่าตอนที่หนึ่งมีสามข้อตามพระบาลีว่าอาเัวันนาจะพาลานังวันตานันจะเสว น, นาปูชาจะปูชนียานังเอตมัมมังครมุตตมังจึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านจงยาคบคนผานจงคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชา จะมีความเป็นผู้มีอุดมมงคลคือมีความสุขคําว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงความสุขในชาติปัจจุบันเป็นสําคัญเมื่อในปัจจุบันนี้เรามีความสุขอดีตหรือว่าอนาคตมันก็สุขเท่านั้นแหละเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ดึงมาไม่ได้อนาคตที่มันอยู่ระยะทางไกลหรือใกล้เราก็ไปไม่ถึง พวาคนเราทุกคนมีเฉพาะปัจจุบันเมื่อพูดตอนนี้บางทีท่านนักประจั์คานถ้าจะคันแล้ว ก, ก็โปรดคิดถึงความจริงว่าคนเราที่มีความรู้สึกอยู่เรามมีความรู้สึกว่าขณะที่รู้สึกอยู่นี้มันเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคต แต่การเวลาร่วมไปนั่นมันอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกของเรามันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอถ้าปัจจุบันของเราสร้างความดีที่เป็นปัจจัยของความสุขมันก็มีความสุขันตลอดเพราะอารมณ์จิตของเรามเป็นปัจจุบันถ้าอยากค้านแล้วก็ปล่ยค้านมาด้วยว่าอารมณ์จิตของใครที่มีไปอดีตบ้างที่มีเปนอนาคตบ้างบอกการเวลามัน มาดูด้วยเพะ่อขณะที่ท่านมีความรู้สึกอยู่นั่นมันเป็นอันนายคตรหรือว่ามันเป็นอดีต <c oughs> มาพูดกันถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เตงกล่าวบอกว่าอาศิวันนาจะพาลานังจงยาคบคนผ่านคำว่าพานี้แปลได้หลายแบบ แปลว่าอ่อนก็ได้แปลว่าเลวก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้ <c oughs> นี่ในที่นี้เราก็แปลก็ว่าเลวดีกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาดไม่ยอมรับนับถือสิทธิของใครเป็นอนุนว่ามีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเป็นยังไง มีจิตใจโหดร้ายมือไว้ใจเร็วพูดปดหมดสติถพื่อคำนี้จะเป็นของพันเอกปินมุตุกันท่านพูดไว้ว่าคนนี้เป็นคนผ่านนี้มีความโหดร้ายใจร้ายมือไว้ใจเร็วพูดปดหมดสติต้องขอขอบคุณท่านพันพเอกปินมุตุกัน ท่านตั้งบทนี้ไว้ตั้งแต่เป็นหุ้นหน้ากองอนุสาสนาจารย์ทหารบกท่านใช้ศัพท์คนนั่นเพราะตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายอันนี้ชอบไหมใครชอบกันบ้างคนที่มีใจโหดร้ายไม่ยอมรับนับถือสิทธิในชีวิต ร, ร่างกายขาาองบุคคลอื่น ก็ปพี่า่าเก่งค่าทํำรา้ายร่างกายของบุคคลอื่นเห็นใครก็ตามที่มีกําลังน้อยกว่าหรือว่ามีพวกน้อยกว่าทําร้ายร่างกายให้รับความบาดเจ็บหรือว่าทําอันตรอนทำอวัยวะในร่างกายให้สูญเสียไปแตกแขนเสบ้างแตกขาเสบ้าง เมตฟันหน้าเสบ้างอภัยยิงออกเสบ้างยิ ง, งข้างยิงขาเสบ้างอย่างนีชอบไหมหรือว่าจับเราไปขังไว้ในที่ต่างๆได้รับได้รับทุกขเวทนามีข้าวกินบ้างไม่กิงไม่มีข้าวกินบ้างยุงกินลิงกัดแล้วก็อากาศก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ท่านชอบไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ดีเน่าไปจากนั้นยังไปคาเขิงฆ่าเราอีกอย่าไปพูดทั้งคนอื่นเวลาที่พูดมันนี่ขอท่านผู้ฟังได้โปรดคิดว่าเรื่องนั้นถูกกับตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเขาพคนอื่นสมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่ทำงานได้ความบริสุทธิ์สุจริต มีเพื่อนที่เต็มไปได้วยอารมณ์อิจฉาดิสหยาที่เห็นว่าเราดีกว่าหาทางปัดแช่งปัดขาหาโทษโจยความผิดให้เกิดเรื่องเดือดร้อนต้องถูกโทษภัยต่างๆถึงก็ไล่ออกบ้างติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารชีวิตบ้างอย่างนี้อย่างหนึ่ง ในบริาการหนึ่งเรานั่งอยู่แบบ ส, บสบายเพื่อนมาปนยิงแขนซ้ายปนยิงแขนขวาปนยิงหน้าปนยิงหลังยังไม่ถึงกับตายหรือว่าฆ่าเราให้ถึงกับความตายอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านพอใจไหมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังกําลังจะคิดออกว่า ตอนนี้เห็นจะไม่เป็นเรื่องถ้ามีเพราะอะไรประวัติน่ากลัวจะไม่ดีพา่าวิวัฒน์ของเรานี้มีไว้เพื่อรักษาประโยชน์ทาประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่แขนซ้ายมันเสียไปได้แขนหนึ่งเหลือแขนขวาแขนเดียวทําอะไรก็ไม่ถนัดแขนเนื้อว่าแขนขวาเสียไปได้แขนหนึ่งแขนซ้ายที่ทําอะไรถนัดไม่เท่าแขนขวาอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มการงาน งานนั้นมันก็บกพร่องเมื่อถูกทําร้ายก็เต็มไปด้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดกการงานที่จะทํำก็ต้องถูกยับยั้งทำไม่ได้ต้องไปรักษาตัวเสียเวลาการงานด้วยเสียเงินด้วยเสียเลือดเลือดเสียอวัยวะด้วยอย่างนี้ท่านพอใจไหม ถ้ า, าว่าท่านตอบว่าท่านพอใจก็ต้องขออภัยท่าน้วยที่พระพุทธเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่ต้องการอย่างนั้นแต่บางเอิญท่านเป็นผู้มีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพลาดแต่ถ้ า, ากว่าท่านมีความไม่พอใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนําท่านไว้ว่าจงยาประหัตประหารสิ่งอะไรกัน จงอย่าคบคนประเภทนี้เพราะคนประเภทนี้พาเราไปในด้านด้านที่ไม่ดีถ้าเราไปกับเขานำเราไปหาเรื่องไปชกไปต่อยไปก่อเรื่องก่อราวไปปรลาดประหารเขาก็คิดไม่รู้ไม่ว่าคนในโลกนี่เขามีมือมีเท้ามีความรู้สึกไม่คิดเหมือนกันเขาก็จะต้องปรลาดประหารตอบถ้าวันนี้เราทำเขาได้ โอกาสที่เขาจะทำกับเรายังไม่มีว่าก็ว่าวันเดือนปีไม่ได้สิ้นสุดอยู่เฉพาะในวันนั้นวันหน้ายังมีถ้าโอกาสมีเมื่อไรเขาแก้มือเราเมานั้นเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วครบคนเช่นนั้นในบริการหนึ่งเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วยังไม่ถูกการทำร้ายตอบ เราเองจะนั่งก็ไม่เป็นสุขเจนนอนก็ไม่เป็นสุขจะกินก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขเป่นไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าต้องวาดสะดุง้งประวายอยู่เสมอเกรงว่าพวกนั้นจะมาแค้มือเราถ้าเราฆ่าเขาตายคนตายไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลก วันนี้เกิดมาในโลกนี่เป็นคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องเป็นที่รักความเจ็บใจของบุคคลนั้นฝ่ายนั้นมีขึ้นเขาก็ตามประหัตประหารถ้ายิ่งในปัจจุบันกฎหมายของบ้านเมืองให้โอกาสเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามล่านำมาลงโทษเพิดอนันว่าท่านผู้รับฟัง คนที่มีความโหดร้ายเขามีความสุขหรือความทุกข์เราถ้าไปคบกับคนที่มีความโหดร้ายเข้าเราก็เป็นผู้ร้ายไปด้วยตอนนี้ในเมื่อเราไปทำควา ม, มร้ายเขาบุคคลอื่นเข้าแล้วก็เขาติดตามมาเพื่อแก้มือปราบประหารเราหรือเจ้าหน้าที่ธรรมมาเพื่อ น, นำเราไปโลงโทษ ท่านนั้นหลายลงนั่งหลับตาคิดว่ า, าการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็เห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้ตัวอย่างมีถมไปข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางวิทยุกระจายเสียงบ้างข่าวที่ส่งข่าวไม่ทรบบาบว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง มีคนถูกทำลายหลายรายแต่รายที่ถูกทำรายแล้วก็ต้องเสียกายงาน<ม>เสียวยวะเสียเวลาเสียเงินเสียทอในการรักษาบางท่านก็ถึงกับทุกคนละภาพที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนผ่านทำร้ายร่างกายเขา อาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าแปลการเขาไม่ความไม่ดีเป็นความทุกข์คนประเภทนั้นที่ทำร้ายเขาแล้วท่านฟังข่าวมันหรือเปล่าเมื <c oughs> ่อคนที่เป็นโจรทันไล่เขามีความสุขและความทุกข์เขาก็ต้องหนีหัวสุกหัวสุนหนีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาคนหลบคุนซ่อน เกรงว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองบ้างเกรงว่าพวกเพื่อนของบางคนต่างหลายที่เขาทาร้ายป่าจะมาทำร้ายร่างกายเขาบ้างอาการอย่างนั้นเป็นอาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีแอาการกระทํำของบุคคลประเภทนั้นองค์สมเด็จพระสุนทรภัยก็กล่าวว่าเป็นคนผ่านเป็นลักษณะจิตที่มีความผ่านดีไหม แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าคบคนอย่างนั้นเลยถ้าคบคนประเภทนั้นเขา้าเราจะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนการครบหาสมาคมถ้าเราจะไม่ทำกับเขา <c oughs> เขาไปปล้นเราไม่ปล้นเขาโทษเขาไปฆ่าเราไม่ฆ่าเขาไปตีเราไม่ตีเขาไปยิงเราไม่ยิง แต่ว่าเราไปด้วยไม่เมื่อเราร่วมเดินทางกับเขากฎหมายท่านว่ายังไงเอาโทษกับบคุคคลผู้ร่วมร่วมร่วมในงานปฏิบัติงานนั้นหมายหมายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเปน็นคณะท่านลงโทษแต่บุคคลผู้ทำร้ายคนเดียวหรือว่าลงโทษบคุคคลผู้ติดตามร่วมทางไปด้วยยามี้ขมันดาท่านอันหลายช่วยกันคิด การครบคนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามในวันแรกต่อไปมันก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าใกล้คนเ ช, นออนช่นใดจะคบคนเช่นใดจงเป็นเมื่อคนเช่นนั้นอันดับแรกเรายังไม่ชั่วทั้งตัวแต่กลิ่นของความชั่วมันก็เข้ามาถึงเหมือนกับใบตองที่ไปห่อสุ น, นัขเน่า ความจริงความเน่าของสุนัขไม่ไหลซึมเข้าไปในใบตองแต่ว่ากลิ่นของความเน่ามันก็ติดใบตองมีความเหม็นชั้นใดการครบคนพ่านที่ประหัรประหารร่างกายและชีวิตของผู้คนอื่นความชั่วนั่นก็หลังหล่งไหลเข้ามาแตะต้องเราเช่นเดียวกันเขาแยหาว่าเราครบคนชั่วนี่ถ้าหากว่าเราไม่คบคนชั่ว ความจริงคนชั่วในโลกไม่มีหรือไม่มีภาษิตโบราณนิ่งกล่าวไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าคนจะทำความดีหรือความชั่วเป็นประการใดก็ดีเพร้ะรู้ว่าเขาเห็นว่าเขาดีท้งนั้นแต่ว่าดีในทางที่ผิดหรือว่าดีในทางที่ถูก ตอนนี้ก็ขอกว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายรับฟังกันมาในเรื่องว่าการข้องความชั่วมองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วโอกาสหน้าถ้ามีรับฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี